นี้เป็นอีกตอนหนึ่งของในชิตในชวน พี่น้องสองเสือผู้ชํานาญทางเศยศาสตร์ทางพูดผีปีศาจได้รับเชิญและก็ว่าจ้างให้ไปทําพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อองค์หนึ่งให้ย้ายจากสารเก่าไปยังที่อยู่อื่นโดยมีผู้หนึ่งไปซื้อที่ดินมามากมายเพื่อจะทํากิจการแต่บังเอิญที่ดินนั้นมีสารเจ้าพ่ออะไรองค์หนึ่งติดที่อยู่ด้วยผู้เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ไม่ชอบการมีสารเจ้าในเขตบ้านจึงจ้างให้ไปทําการย้ายตามแบบที่ถูกต้องและก็ดีเพราะว่าเจ้าของที่ยังเกรงกลัว ศคืนหนึ่งพวกผมกำลังประชุมกันอย่างสนุกครืคร้นที่กุฏิคุณนบพระอาจารย์ที่วัดระคังพร้อมญาติกันดีนักเช่นคุณนบพระอาจารย์ครูพยุงนมั่นและผมในสมัย แถมยังมีคุณอุทิศนักประพันธ์ที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรของเรากําลังคุยกันเรื่องคนตายแล้วก็เกิดใหม่แต่ว่าระลึกชาติเก่าได้ต่างกําลังหาเหตุผลต่างๆที่ถูกต้องว่าพวกเราทั้งหมดเคยพบกับพูดผีปีศาจมามากก็จริงแต่ว่ากลุ่มเราชอบเหตุผลที่เป็นไปได้เราจึงจะยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้ในสโมสรของเรามีผู้ที่แข็งในเหตุผลและสุ ข, ขุมเป็นอย่างยอดนั่นก็คือพระภิกษุนก ซึ่งเรายอมให้เป็นพระอาจารย์ในขณะนั้นพอดีได้ยินเสียงคนพูดกันขึ้นมาและกําลังจะขึ้นบันไดมาหาเราเราทุกคนต่างหยุดพูดกันชั่วคราวพอผู้ที่มาใหม่โผล่ขึ้นบันไดมาสโมสรของเราก็ร้องกันเอะอะเพราะผู้ที่มาใหม่นั้นคือในชิดและในชวนพี่น้องสองเสือแห่งอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนี่อย่างไรกันถึงได้ย่ำแดนไกลามาพบกันค่ํามืดแบบนี้คุณนพทักเพื่อนเก่า ผมมาจากบ้านหลายวันแล้วครับมาธุระอย่างที่ใกล้ๆกับน้องแขมพอเขามาส่งที่กรุงก็เลยมาเยี่ยมที่นี่ก่อนพรุ่งนี้จะกลับรถกลางวันในฉิดพูดดูท่าทางว่าจะมีธุระสำคัญนะจึงมาอยู่หลายวันเนี่ยใช่ไหมคุณนบถามอ๋อเรื่องการย้ายสารเจ้าพ่อนะครับโอ้ยเรื่องมันเยอะเลยครั้นไปเข้าจริงๆไม่พบเจ้าพ่อกลับไปพบเอาผีแต่เรื่องผีเนี่ยเราก็กลัวเมื่อไหร่ล่ะ บังเอิญเจอเอาเหตุผลดีๆของผีเข้าก็เลยเลิกรับจ้างทำพิธีไม่ยอมทำให้ในชวนพูดพวกเราหัวเราะชอบใจและคิดว่าอย่างไรกันคงจะได้ฟังเรื่องแปลกๆนี้อีกคงสนุกดีแก่สมาคมของเราอ่ะต้องขยายให้ฟังบ้างนะคุณนบเคาะอ่ะแล้วกันที่แวะมาที่เนี่ยก็จะคุยให้ฟังนะสิท่านครับในชิดรับคำพวกเราก็เลยหัวเราะกันเป็นการใหญ่ เรารีบปรินน้ำชาที่ชงใหม่ๆหอมฟุ้งส่งให้เขาคนละถ้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพวกเราทุกๆคนฟังกันเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆ ก, ก็มีคนรู้จักเนี่ยไปพบกับผมสองคนพี่น้องในชิดเริ่มเล่าเรื่องความจริงที่ทางแถวนั้นยังมีอีกมากมายริมๆถนนเยอะแยะนะแต่ว่ารายนี้เนี่ยเขาชอบที่ลึกเข้าไปจากถนนแล้วเขาก็ยึดเอาคลองเล็กๆคลองนั้นเนี่ยเป็นหลัก เขาบอกว่าเขาจะทํากิจการก็เลยต้องการลําคลองนั้นไว้ใช้การเมื่อได้วัดที่กันเรียบร้อยแล้วบังเอิญว่าริมคลองตอนหนึ่งเนี่ยเป็นตอนกลางของเขาทีเดียวเกิดมีสารเจ้าสารหนึ่งอยู่ตรงคนต้นไซความจริงก็ไม่ได้เป็นรูปสารเจ้าหรอกแต่ว่าต้นไซนั้นเนี่มันมีผ้าแดงห่มอยู่แล้วก็มีของต่างๆที่เป็นเครื่องบูชาปักบ้างเน็บบ้างตามซอกแล้วก็กิ่งไซถึงจะไม่มีตัวสารก็รู้ว่านั่นเป็นสารเจ้าอองค์นึง เจ้าของที่เขาไม่ได้ต้องการให้มีสิ่งของเหล่านี้เพราะว่าเขาเป็นพวกคนรุ่นใหม่เขาไม่สนใจต่อของประเภทนั้นก็เลยขอให้รื้อออกหรือไม่ก็ค้นต้นใส่ทิ้งเลยเอแต่เรื่องอย่างนี้มันทำกันลำบากนะคุณนพพูดนั่นน่ะสิครับลำบากแน่อะฟังต่อละกันคนที่เขาไปตามผมเขาคิดอย่างพวกเรานี่แหละครับการทาอย่างที่ว่านั้นเนี่ยเขาก็หนักใจพอสมควร เจ้าของที่ใหม่ก็เที่ยวตามคนให้มาตัดต้นไซนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปตัดแม้แต่คนที่อื่นๆพอมาเห็นต้นไซนั้นก็ขอตัวกลับกันหมดเจ้าของที่ก็ขอให้เอาของกระจุกกระจิกที่ต้นไซนั้นออกแล้วก็รื้อผ้าห่มแดงที่ห่มต้นไซนั้นทิ้งด้วยก็ไม่มีใครรับทำให้ทั้งยังมีคนแถวนั้นบอกว่าห้ามทำการแบบนั้นมันทาไปก็เท่ากับรื้อสารทิ้งการตัดต้นไม้ใหญ่ๆนั้นเนี่ยมันลาบากยุ่งยาก ความเจริญในกิจการข้างหน้าเขาก็จะหาไม่ได้จงหาวิธีให้ดีเพราะว่าของเขามีอยู่เก่าแก่เราทำอย่างนั้นกระเทือนใจชาวบ้านและก็ผีสางเทวดาทั้งสิน้นเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้มีการหักหันกันลงได้เพราะว่านานวันเข้าเรื่องก็ดังไปไกลเข้าทุกทีทุกทีเกิดการแปลกขึ้นในเช้าวันนึงมีใครไม่รู้มาขีดเส้นท้าทายขึ้นมีสีแดงขีดล้อมรอบต้นทายเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งมีห อ, อกเกา่า เอาปลายปักดินไว้มองดูประดเดียวก็รู้ความหมายเลยว่าถ้าใครข้ามเขตสีแดงนั้นเข้าไปหรือลุกล้ำไปทำอันตรายที่นั่นหอกที่ปักไว้เนี่ยจะเป็นคำบอกว่าตายในชิดพูดแค่นี้ก็หยุดจุดบุรีดูดนึกไว้ไม่มีผิดเรื่องมันยากแน่ๆคุณนบพูดแล้วก็จุปากอย่างติเตียนเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ล่ะคุณนบถามต่อเจ้าพ่อครับเจ้าพ่ออะไรล่ะนั่นสิครับ เรื่องวุ่นเอาการอยู่เรื่องชื่อเจ้าพ่อเนี่ยถามใครๆใครๆก็ยิ้มไม่บอกว่าชื่ออะไรแต่ว่ามีคนแก่คนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างกวนโมโหนะว่าจะถามไปทาไมถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงเขาก็ไม่นับถือกันหรอกเมื่อไม่นับถือแล้วจะมาถามทำไมละ่ะนี่แหละครับถามกันตรงๆเข้าก็ไม่บอกกลับหัวเราะเยอะ แต่ว่าผมก็ถามเค้นเอาจนได้เที่ยว อ, ออกสืบสวนจนได้เรื่องว่าเจ้าพ่อองค์นั้นเนี่ยไม่ใช่คนใหญ่คนโตอะไรหรอกเป็นลูกชาวไร่ชาวนาธรรมดาหากแต่ว่าเป็นนักเลงคนหนึ่งต่อสู้กับศัตรูมากคนด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ตายที่คนต้นใส่นั้นส่วนศัตรูมากคนก็จริงแต่ก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนอนจมกองเลือดไปเหมือนกันแล้วก็ตายลงในคราวหลังด้วยพิษบาดแผลสองสามคน เมื่อเอาศพไปเผากันแล้วพวกชาวบ้านที่รักใจนักเลงก็ไปกราบไหว้กันดอกไม้ทูปเทียนก็บูชากันเอาผ้าแดงไปห่มไส้ผืนเก่าซีดแล้วก็ขาดก็เอามาเปลี่ยนกันอยู่เสมอเจ้าพ่อองค์นี้รู้สึกว่าจะชื่อเดชนะเป็นชื่อที่ใครๆที่เขาไปบนบานขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยได้ก็เลยนับถือกันมาตั้งแต่นั้น การจะไปล้มล้างก็เลยเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเท่ากับว่าอยู่ดีๆเอาไม้ไปเคาะหัวชาวบ้านเล่นทั้งใกล้แล้วก็ไกลมันจะดีเรอ้อแล้วเขาจ้างให้เราไปทำอีท่าไหนละ่ะคุณนบถามจ้างไปทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อให้ไปอยู่ที่อื่นจะทำกันได้ง่ายๆอย่างนั้นเชียวหรือทำน่ะทำได้ขอรับเพราะว่าเราทำอย่างเคารพ ผมสองคนไปถึงก็ชุมนุมเทวดาก่อนแล้วก็นั่งเทียนเล่าแจ้งบอกกล่าวกับเจ้าพ่อแล้วก็ขอฟังคําตอบโดยทางเข้าฝันด้วยได้ความว่าอย่างไรบ้างอืผมไปนอนค้างที่บ้านแถวนั้นสองคืนสอบสวนได้ชัดเจนดีว่าเจ้าพ่อเดชนั้นเนี่ยมีมียศเพียงแค่เจ้าเทพารักษ์เท่านั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าชั้นสูงที่เลยไปถึงชั้นหมดกิเลสก็ยังชอบของเครื่องเส้นอยู่ต่าง ใครมีหมูเห็ดเป็ดไก่มาถวายท่านก็เผื่อแผ่ลูกน้องทั่วกันด้วยหัวใจเป็นนักเลงนี่แหละครับลูกน้องของท่านมีพอผมไปตั้งพิธีจึงไม่ได้พบกับท่านกลับพบแต่ปีศาจลูกน้องท่านนี่เป็นตัวแทนแต่อ้อลืมเล่าไปว่าก่อนหน้าที่เขาจะไปตามผมนะเขามีคนมาทําการรื้อถอนกันเข้าแล้วแล้วก็ตายอย่างว่าข้ามเส้นแดงที่ขีดไว้ก็ตายจริงตามนั้นตายอย่างปริศนาฮะตายเชียวหรือ ผมถามด้วยความสงสัยคล้ายกับร้องตะโกนตายครับนายชิดรับคาพร้อมประยักหน้าคนตายในยชื่อในอองในคนนี้เนี่ยได้ความว่าือเคยไม่ถูกคอกับเจ้าพ่อเดชนะก็เห็นคนมากราบไหว้เจ้าพ่อเดชอยู่เสมอก็ไม่พอใจเมื่อรู้ข่าวว่ามีผู้จ้างให้ไปทำลายอิทธิพลเจ้าพ่อเดชในอองเนี่ยก็รับจ้างทันทีเลยทำการรื้อถอนเครื่องบูชาก่อนทีท้าว่าจะตัดต้นไทรในคราวหลังอุบะ คุณนพพูดขัดขึ้นกลางคันบัตรซบบัตรซบแท้แท้บัตรซบสิครับตายแงะแกเลยทางตำรวจก็ไม่พบอะไรบาดแผลก็ไม่มีทั้งร่องรอยแห่งการต่อสู้ก็ไม่มีแต่แพทย์เนี่ยระบุว่าตายเพราะหัวใจหยุดเต้นเกิดจากความหวาดกลัวสุดขีดแล้วก็นอนตายแงแก่อยู่คนใส่นั่นแหละเจ้าของที่ดินก็เลยแยงขึ้นมาเที่ยวหาคนดีที่ทําให้เกิดภัยเรื่องมันก็เลยตกมาถึงผมสองพี่น้องนี่แหละครับ ส่วนผมนะ่ะเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วผมก็นอนค้างกันที่บ้านคนแถวนั้นพอดึกเข้าน่ะสิมีผู้ชายกลางคนมาปลุกผมให้ตื่นว่าจะขอพูดอะไรกับผมเป็นทางการหน่อยผมเองก็รู้สึกตัวอยู่แล้วว่าจะได้พบกับเขาแต่แทนที่จะได้พบกับเจ้าพ่อนะกลับเป็นผีที่บ้านที่เรานอนค้างนั่นแหละอา้าวแล้วท่านเป็นใครล่ะครับผมถามชายผู้นั้นฉันคือญาติของบ้านนี้ชายที่ปลุกตอบ ฉันคือวิญญาณดวงหนึ่งที่เป็นผู้แทนวิญญาณอีกมากดวงในถิ่นทุ่งนี้มาเจรจากับคุณเพื่อสันติท่านเจ้าพ่อเสด็จไปซะไหนละ่ะผมถามอ่ะเจ้าพ่อไม่ยุ่งกับใครหรอกท่านมีศีลท่านไม่โกรธใครไม่ว่าใครแต่พวกฉันเนี่ยสิไม่ยอมให้ใครมาทําการรุ ก, กรานกันแบบนี้ต้นไซเนี่ยมีมานานแล้วเจ้าพ่อก็มีมานานแล้วมาใหม่จะไม่ชอบเจ้าพ่อก็ตามทําไมไม่นึกถึงชาวบ้านบ้างละ่ะและพวกฉันก็อีกมากคิดบ้างสิ คนเราเนี่ยมันต้องอาศัยกันตัดผมคนก็ต้องดูหน้าคนว่าจะตัดแบบไหนจะรับทรงหรือเปล่าถ้าตัดตามใจตัวก็ไปกันใหญ่จะไปอยู่ที่ใดไม่เอากับใครเลยมันจะดีหรือแล้วก็ซ้ำจะเหยียบหัวกันอีกพวกฉันน่ะาำไม่พอใจก็อเอากันตายเลยหนเดียวสิ้นเรื่องแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยสิไม่จบหรอกคิดดูสิ มีทางทำให้ดีสมานใจกันได้หลายทางก็ไม่เอาเช่นทางหนึ่งคือเจ้าของที่ไม่ชอบสารเจ้านั้นก็กั้นรัว้วแบ่งไว้สัก20ตารางวาก็พอเปิดด้านริมคลองไว้ให้ใครๆเขาเข้ามาเคารพกันพวกฉันทั้งหลายคนเนี่ยก็พออยู่พอกินก็เพราะเจ้าพ่อใครนำเครื่องเส้นกลุ้งผ้าปลารยาพวกฉันก็ได้รับแบ่งปันจากเจ้าพ่อการจะมาหักฐานแบบตัดหนทางทุบหมอข้าวกันคุณนะคุณมันขั้นตายกันทีเดียว เจ้าพ่ออาจจะดำคาญไปเองก็ได้แต่มาทำแบบไล่กันแบบนี้บ้าอยู่มาก่อนนะเวลานั้นเสียงคนในบ้านตื่นกันหมดแล้วทางบ้านผู้ที่พูดคุยกับผมก็หายวับไปแล้วคุณชิดกับคุณชวนเนี่ยตกใจว่ายังไงกันละครับผมถามอ๋อผมทั้งสองคนนี่ฟังเหตุผลทางด้านพวกวิ ญ, ญญาณเขาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็มีทางสันติดีอยู่หรอกนะแบ่งกันอยู่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมันก็จริงของเขา เรามาคราวหลังทำอะไรก็ต้องสมานใจคนเก่าเพียงสละเนื้อที่ให้แค่เล็กน้อยก็ทำได้เลยผมก็เลยนําเรื่องเข้าพูดกับเจ้าของที่คิดไว้ว่าถ้าเขาไม่ยอมผมก็ไม่ยอมทำอะไรให้บังเอิญว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยฟังผมพูดก็เกิดกลัวภัยขึ้นมาก็เลยยอมตามเพื่อเห็นแก่ชาวบ้านจะได้อยู่เป็นสุขตกลงกันแล้วผมก็กลับมานี่แหละครับทาอะไรขัดกับคนในหมู่มากนี่มันยากจริงๆนะ น้าเชี่ยวพายเรือทวนน้ำก็เหนื่อยแรงแต่ถ้าเดินทวนมนุษย์นี่มันเจ็บตัวคุณนบว่าการทำอะไรถ้ามีคนแช่งด่าอยู่แล้วมันจะเดินยากนะขอรับยิ่งพวกวิญญาณแช่งด้วยแล้วก็ปนปี้เลยในชิดพูดแล้วก็หวัวเราะผมเพิ่งรู้ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ต้องมีลูกน้องเป็นพวกวิญญาณเหมือนกันในมั่นพูดเอาต้องมีสิ ในชวนพูดแทนพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยต่างก็มีศีลทั้งนั้นยิ่งเจ้าชั้นสูงก็พ้นกิเลสไปแล้วยิ่งทำการช่วยเหลือใครๆยากหน่อยถ้าเรื่องดีที่ถูกที่ควรท่านก็ช่วยเองได้แต่ถ้าเรื่องนั้นไม่ถูกทางทำพวกวิญญาณจะช่วยแทนให้ เรื่องที่ว่าจะไม่ช่วยซะเลยนั้นเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขามาฝากตัวแล้วก็ขอร้องแล้วก็ต้องทำกันไปจะผิดบ้างถูกบ้างก็ขอไปทีก่อนฉะนั้นจำเป็นอยู่เองที่เจ้าพ่อเจ้าแม่จะต้องมีลูกน้องเหล่านี้อ๋อผมเข้าใจละนมั่นว่าคุณชวนครับอะไรครับเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่มีหลายชั้นเหรอครับใช่แล้วครับมีหลายชั้นชั้นเทพรักแล้วก็นางไม้เนี่ยเป็นเจ้าธรรมดา ถ้าชั้นที่เขาเรียกเทพเจ้าแล้วก็สูงขึ้นไปอีกชั้นชั้นเทพเจ้านั้นเนี่ยมักทําอะไรทําเองแต่ว่าชั้นเจ้าเฉยๆยังสนุกอยู่กับมนุษย์ก็เลยมีลูกน้องไว้ใช้แทนตัวเมื่อใครเอาเครื่องเส้นมาเส้นก็แบ่งปันกับลูกน้องเป็นส่วนมากคุณสมัยครับเรื่องอํานาจในความมืดนะ่ะต้องอาศัยพวกดวงวิญ ญ, ญาณซะเป็นส่วนใหญ่ทั้งๆ ท, ง ท, งที่พวกนี้ได้ผละออกจากร่างกายที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็น่าจะมีความสุขสดใสไร้กังวลนะ แต่เรื่องของมนุษย์นะสิครับวุ่นมากคนไหนก็คนนั้นเมื่อถึงคราวจนเข้าทางทุกคนก็ต้องพนมมือไหว้พระเทวดาผีสางนางไม้พวกวิญญาณนั้นแม้แต่จะพ้นมนุษย์ไปแล้วแต่ก็เคยเป็นมนุษย์จะทิ้งมนุษย์ได้อย่างไรทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีก็ยังคลุกกันอยู่ใกล้ๆหากมนุษย์จะไม่เห็นเขาด้วยตาเท่านั้นเองเขาก็ยังมีทั้งรักแล้วก็เมตตาอยู่เหมือนเดิมแต่ระวังอย่าไปทําอะไรให้เขาโกรธแล้วก็เกลียดก็ละกัน ขอบพระคุณครับที่ให้ความรู้ผมกล่าวขอบคุณในชิดกับในชวนที่ให้ความรู้ในเรื่องของเจ้า